กัดปั่นปันันเดี๋ยวก็หายแล้วปันปันเดี๋ยวก็หายแล้วแมงอะไรนะแมงใบแมงใบเหรอทำไมเรียกแมงใบแมงต่อนั่นเหรอแมงต่อนั่นเหรอ ออันนั้นแมงผู้นะแมงผู้นะแมงอะไรก็ไม่ได้เห็นกับมันหรอกนี่ันเห็นอยู่คนเดียวเด็กก็คิดเราก็คิดตามภาพเด็กมันพูดอลไม่รู้แมงอะไรไม่ได้เห็นตัวเลย ฟังเทศนะฟังไหมไม่ฟังแมงดำดำแล้วเหรอเริ่มแล้วบะ เริมแล้วธรรมะวันอาทิตย์วันนี้น้องเพลงมีเรื่องอะไรจะให้พระอาจารย์เทศทถามว่าทำไมหนูตื่นสายทุกวันอย่างนี้ละ่ะ <c oughs> แม่ไม่ยอมปลูก <c oughs> <c oughs> เอาใครดี ห <laughs> ยุแจ๋จะพูดถึงลักษณะของพุทธศา ส, ะสะนาในส่วนที่เป็นทัศนคติที่ทำให้เราได้เข้าใจพุทธศาสนามากขึ้น เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมในเรื่องของศรัทธาคือความเชื่อแต่ทําไมในการามสูตรพระองค์บอกไม่ให้เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าขัดแย้งกันไหมฮะศรัทธานี่เชื่อนะแม้แต่ในเขาที่พระองค์ทรงตั้งพระไทยที่จะแสดงธรรมใหม่ๆว่าวเราปรารถนาที่จะ แสดงธรรมแล้วชนทั้งหลายผู้มีผู้ปรารถนาแห่งความหลุดพ้นจงปล่อยศรัท ธ, ธามาเถิดปล่อยความเชื่อจักสามารถทําประโยชน์สําเร็จจากธรรที่ตถาคตได้แสดงนั้นหมายว่าให้ปล่อยความเชื่อคือเชื่อในสิ่งที่พรงษ์ทรงสอนแต่ในกาลามาสูตรบอกว่าไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อสิบอย่างไม่เชื่ออะไรบ้าง ไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินตามๆกันมาไม่เชื่อในสิ่งที่เข้ากับความเห็นของตนไม่เชื่อในสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่เชื่อในสิ่งที่เล่าสืบๆกันมาไม่เชื่อในสิ่งที่เป็นของประเพณีดังเดิมนะไม่เชื่อในตำราตำราก็ไม่ให้เชื่อไม่เชื่อว่าผู้นี้ เป็นอาจารย์ของเราอาจารย์ก็ไม่เชื่อเ hey, อ๊ย่ังไงดีแล้วไม่เชื่ออะไรอีกในการละมสูตรไม่เชื่อแม้กระทั่งว่าสิ่งนั้นเข้ากับความเห็นของตน เ, ออเรื่องนี้เข้ากับความเห็นของเราเรื่องนั้นเข้ากับความเห็นของเราล้าเชื่ออี้ก็ไม่ได้ก็อย่าเชื่อเห็นไหมแต่ทำไมในหลักธรรมผู้ได้เจ้าทรง ต, รงตัดถึง อริยทรัพย์คือทรัพย์ของที่เป็นอริยะนี่ยควรจะมีในตัวเราตัวบุคคลนี่คือต้องมีศรัทธาก่อนเป็นดับแรกอะศรัทธาเชื่อหรือว่าพาระหก็มีศรัทธาภาระก่อนเป็นดับแรกเนี่ยไมผู้เจ้าถึงตั้งศรัทธาให้เชื่อแต่ในหลักคาสอนในพระสูตรบอกไม่ให้เชื่อคําสอนผู้เจ้าขัดแย้งกันหรือเปล่า หรือแม้ในครั้งที่ภาษาดิบุตรฟังสิ่งที่พระองค์ทรงตัดแสดงทำจบแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามภาษาดิบุตรว่าเธอเชื่อตถาคตไหมภาษาดิบุตรไม่เชื่อพระเจ้าค่าะภารีดบุตรพูดอย่างนั้นไม่เชื่อพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าว่าไงรู้ไหมดีแล้วสารีดบุตรที่ไม่เชื่อเอาอย่างไงกันแน่จะให้เชื่อหรือไม่ให้เชื่อดี ตอนแรกไม่เชื่อแล้วภายหลังเชื่อจากการปฏิบัติอย่างนั้นนะ <c oughs> แล้วที่พระองค์ทรงสอนศรัทธาละ่ะให้เชื่อ <c oughs> เชื่อปัญญาการตรัสรู้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ก็เป็นองค์คุณอย่างหนึ่งที่จะทําให้คนบรรลุธรรมนะ <c oughs> ในข้อแรกนี่คือศรัทธา <c oughs> เชื่อปัญญาการตรัสรู้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนั้นคือบอกให้เชื่อโดยตรงเลย ยังไงเราผู้เป็นชาวพุทธพุทธิเจ้าต้องการแสดงทัศนคติอะไรให้พวกเราได้รับทราบงงนะบางทีเรียนคำสอนของพุทธิเจ้าไปบางทีก็งงนะบางอย่างก็บอกให้เชื่อบางอย่างก็บอกไม่ต้องเชื่อมันในบางการบางข่าวบางวาละ ก็ต้องไปดูตรงที่พระพุทธเจ้าทรงตัดกับภาษาลิบุตรตรงนี้อาจจะเป็นทำให้หลักทำทั้งสอ ง, ส อ, งอย่างเขาเรียกว่ากระจางขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาในองค์ประกอบของบุคคลผู้มีความเพียรพวกบอกให้ตั้งศรัทธาคือเชื่อก่อนในพาระห้าคือสิ่งที่จะเป็นกำลังในจิตในใจ ก็เริ่มต้นด้วยศรัทธาศรัทธาพระในอริยทรัพย์ก็อาศัยศรัทธามาก่อนอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในก็เริ่มต้นที่ความเชื่อในกาลมาสูตรบอกไม่เชื่อก็ต้องไปดูบทที่พระพุทธเจ้ากับภาษาลิบุตรสนทนาธรรมกันเกี่ยวกับการที่พงศ์แสดงธรรมแล้วภาษาริบุตรบอกไม่เชื่อพระเจ้าบอกวันดีแล้วสาราิบุตรดีแล้วที่เธอไม่เชื่อถูกต้องแล้ว ทำถูกต้องยังไงทีนีน้มันถูกต้องต้องตรงที่ว่าภาษาลิบุตรตอบพระพุทธเจ้า ว, ว่าการที่ข้าพระองค์เชื่อในสิ่งพระองค์ทรงตัดก็เท่ากับว่าเชื่อในสิ่งที่ถูกพูดถึงหรือว่าถูกเล่าเล่ามาบอกมาหมายถึงว่าการเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอก การเชื่อแม้สิ่งนั้นจะเป็นสัจธรรมก็จริงนะเป็นเรื่องจริงก็จริงการเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอกการเชื่อในสิ่งที่คนอื่นเล่ามาการได้ยินได้ฟังจากสิ่งที่คนอื่นเขาพูดการเชื่ออย่างนั้นเป็นการเชื่อโดยการได้ยินได้ฟังเป็นการเชื่อโดยการบอกให้ทราบเป็นการเชื่อโดยการเล่าต่อๆกันมาเล่าให้ทราบ การเชื่ออย่างนั้น่ะไม่ใช่การเชื่อในทางหลักของพุทธศาสนาอันเนี้ยตัวเนี้ยก็เลยเป็นเครื่องรองรับในหลักของการลมาสูตรในเรื่องความเชื่อหมายถึงพระเจ้าไม่ให้เชื่ออย่างนั้นไม่ให้เชื่อในการที่ฟังมาจากคนอื่นภาษารีบุตรก็เลยบอกว่าสิ่งใดที่ข้าพระเจ้าข้าพระ อ, องค์พี่ณนาะด้วยเหตุและผลกำหนดรู้ด้วยจิตแล้วแล้วทราบสิ่งนั้นตามความเป็นจริง ข้าพพง์จึงปร่งใจเชื่อหรือตกลงใจเชื่อหมายถึงว่าความเชื่อในสิ่งที่พระสารีบุตรจะเชื่อได้ในสิ่งที่พงรงตรัสนั้นความเชื่อนั้นไม่ใช่แค่การฟังเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะตรัสอะไรก็ตามต่อหน้าเราเชื่อได้ไหม พระพุทธเจ้าจะอยู่ต่อหน้าเราแล้วสอนทำเราเนี่ยเราเชื่อได้ไหมการเชื่อนั้นก็เป็นโมหะเพราะเป็นการเชื่อในสิ่งที่เป็นคำบอกเล่ามาการการอะไรการพูดให้ได้ยินได้ฟังหากเราเชื่อมันก็เป็นโมหะเพราะเราไม่รู้ความจริงในสิ่งนั้นมันเป็นแค่ความเชื่อการรู้ความจริง แล้วเชื่อความจริงหรือว่าศรัทธาอ น, นั้นถึงจะเป็นพละหรือว่าเป็นกำลังแล้วก็จะเป็นทรัพย์ในภายในการรู้ความจริงแล้วเชื่อเมื่อรู้ความจริงก็จะเชื่อเองอตโตโลมันจะเป็นศรัทธาเองศรัทธาอย่างมั่นคงศรัทธาอย่างไม่คอนแคลนการเชื่อตามสิ่งที่บอกเล่ามันยังไม่มั่นคงมันยังคอนแคลนได้อยู่แม้แต่ มีคนมาบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะตต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถ้าพวกเราเชื่อโดยที่ไม่รู้ว่าความเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะเป็นอย่างไรอันนั้นก็เป็นความเชื่อที่คลอนแคลนเป็นความเชื่ อ, ท, อที่ยังไม่เป็นกำลังในทางจิตเราก็เชื่อแค่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนหนึ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาว่าเป็นผู้ศีลสวมิริ เป็นสมมาสัมพุทธะและเป็นสมาสัมพุทธะเป็นอย่างไรทีนี้เราไม่สามารถรู้ถึงความเป็นสมาสัมพุทธะได้และเราจะสามารถปกอะไรโปร่งใจเชื่อได้ยังไงว่าพระเจ้าเป็นสมาสัมพุทธะได้จริงเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติตามธรรมอาตมาเองก็เชื่อพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระพุทธเจ้าในมโนหรือว่าในความคิดในจินตนาการว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ ไม่มีกิเลสควรค่าแก่การเคารพสักการะกับว่าเป็นภาษศาสดาในศาสนานี้เป็นผู้กล่าวสอนธรรมเป็นผู้จำแนกแจกธรรมเป็นผู้กำหนดให้มีพุทธบริษัทสีเป็นอยู่และดำเนินศาสนานี้ไปสืบต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นก็ถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นว่าควรค่าแก่การเคารพสักการะนับถือเลื่อมใสศรัทธาก็ศรัทธามาแต่ ศรัทธาจากการถูกปลูกฝังมาตามประเพณีกับการที่ได้มาปฏิบัติตามธรรมแล้วได้รู้จักสัจธรรมปรากฏ ว, ว่าความเชื่อระดับที่ถูกปลูกฝังมากับความเชื่อที่ได้รู้จักธรร ม, มะเนี่ยมันห่างไกลกันคนละคนละเรื่องกันเลยไกลกว่าฟ้ากับดินฟ้ากับดินว่าไกลแล้วนะไกลกว่านั้นอีกนั่นหมายถึงว่า ความเชื่อใดก็ตามที่อยู่ภายใต้การถูกปลูกฝังด้วยค่านิยมทางสังคมหรือความเชื่อที่ถูกสอนให้เชื่อแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องก็ตามแต่คนผู้เชื่อไม่ยอมพิจารณาในสิ่งที่ตนเองเชื่อให้เขาไปรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นว่าเป็นอย่างไรความเชื่อนั้นก็เป็นความเชื่อที่งมงาย เป็นความเชื่อที่ไม่จริง <c oughs> เพราะฉะนั้นศรัทธาในทางพุทธศาสนาจะเป็นจะต้องเป็นศรัทธาที่เกิดจากการพินิจพิจารณาเนื้อหาแห่งธรรมแล้วจึงเชื่อแล้วเราเชื่อได้อย่งไรว่าพระพุทธเจ้าเป็นสมมาสัมพุทธะก็เมื่อเราสามารถเข้าถึงธรรมที่พระงค์ทรงตัดสอนได้แล้วการเข้าถึงธรรมที่พงค์ทรงตัดสอนได้นั้นมันจึงเกิดการอนุโลมก็เรียกว่าคล้อยตามในปัญญา การตัดสูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าทำที่เราประพฤติปฏิบัติตามนั้นส่งผลให้บังเกิดกับจิตกับใจเราได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นความเป็นสัมมาสัมพุทธะของพระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นคุณนสมบัติที่มีอยู่ในตัวพระองค์จริงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่คําเล่าลือหรือเป็นไม่ใช่เพียงแค่กิตติศัพท์อันงามที่ฟุ้งไปที่เขาเล่าลือกันเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในตัวของพระพุทธเจ้าเอง และจะเป็นความเชื่อที่มั่นคงไม่ขอนแขงและก็รู้ในจิตในใจของตัวเองอย่างชัดเจนว่าเป็นความเชื่อ antee, ที่มั่นคงไม่ขอนแขงเพราะนั้นความเชื่อที่ขาดการพิจารณาด้วยเหตุผลเป็นความเชื่อที่น่ากลัวมากเพราะมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นความงมงายได้เสมอและความเชื่อที่เปลี่ยนไปเป็นความงมงายนั่นนั่นแหละ จะเป็นตัวทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าเองทำลายคำสอนของศาสนาเองและบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้าว่าตัวเองมีความเชื่อบางอย่างที่โน้มไปสู่วิถีแห่งความงมงายแล้วยึดถือความเชื่อประพฤติปฏิบัติตามหลักความเชื่อที่งมงายนั้นจนเป็นเหตุให้ตนเองทำลายพุทธศาสนาด้วยตัวของตนเองที่เป็นผู้นับถืออยู่โดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มีมากด้วยเมื่อมีมากอย่างนี้นี่เองมันจึงเป็นปัญหาสาหรับ บุคคลที่จัดพยายามถ่ายทอดพื้นศาสนานี้ไปสู่รุ่นต่อไปว่าการถ่ายทอดพุทธศาสนาหรือว่าสืบต่อศาสนาไปสู่รุ่นต่อไปนั้นเป็นการสืบต่อพุทธศาสนาในสิ่งที่ไม่ใช่พื้นศาสนาเพราะความเป็นจริงถูกทำลายลงจากความเชื่อที่งมงายการพินิจ พิจารณาหลักทำคําสอนของพุทธเจ้าจึงเป็นสาระสําคัญของพุทธศาส น, นิกชนที่จะต้องเรียกว่าใส่ใจเป็นสาระแก่นสารอย่างหนึ่งที่สําคัญอย่างยิ่งในชีวิตเพราะว่าชีวิตของเราได้อาศัยพุทธศาสนามาตั้งแต่วันเกิดทําไมถึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าพระพุทธสารนี้ได้อบรมสั่งสอนดวงจิตดวงใจของบุคคลผู้เวียนว่ายตายเกิดมา เป็นระยะเวลา 2,500 กว่าปีในระยะ 2,500 กว่าปีดวงจิตดวงใจของเราที่เคยเกี่ยวโยงกับพุทธศาสนามาแน่นอนว่าการที่เราได้มาเจอพุทธศาสนาในเวลานี้ปัจจุบันนี้นั้นก็สืบเนื่องมาจากการที่เราได้พบพุทธศาสนามาแต่ปางก่อนแล้วแล้วการที่เราได้พบพุทธศาสนามาแต่ปางก่อนเราอาศัยหลักธรรมทางพุทธศาสนาได้อบรมจิตใจตัวเองแล้วผลแห่งการ ที่เราได้อบรมจิตใจตัวเองด้วยหลักคําสอนทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลทำสมาธิเจริญภาวนาแต่เมื่อมันยังไม่หลุดพ้นในเวลานั้นผลแห่งการประพฤติตามหลักศาสนานั้นได้ส่งผลให้เราเมื่อเจอพุทธศาสนาอีกครั้งเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าหากบุคคลใดก็ตามที่เคยเจอพุทธศาสนาด้วยจิตเลื่อมใสแล้วจะได้เจอพุทธศาสนาอีก ถ้าใครได้เจอพุทธศาสนาด้วยจิตเดื่อมใสามาแต่ปางก่อนอก็จะได้เจอพุทธศาสนาต่อไปอีกอในภายภาคหน้ากําลังของกระแสจิตนั้นจะไม่เสื่อมลงได้โดยง่ายตลอดสเวลาแสนกับแต่หากบุคคลใดก็ตามไม่เคยเจอพุทธศาสนาและไม่มีจิตเดื่อมใสในพุทธศาสนาหรือเจอแต่มีจิตเป็นปฏิบัติต่อพุทธศาสนาเขาจะไม่สามารถที่เข้ามาสู่ศาสนานี้ได้อีกเขาย่อมไปสู่วิบากกรรม กำเนิสดสติชันเปรีพี่ปีสาจอสุรกายหรือวันนรกและการที่เราได้มาเป็นมนุษย์ได้เจอพุทธศาสนาเวลานี้นั่นก็หมายถึงว่าผลแห่งการอบรนตนเองในทางด้านพุทธศาสนาที่มีมาแต่ปางก่อนนั้นได้อํานวยผลให้เราได้มาเป็นมนุษย์หมายถึงว่าชีวิตของเราทั้งชีวิตนั้นดํารงอยู่ได้ด้วยบุญกุศลหรือคุณงามความดีในทางพุทธศาสนาที่เราได้ประพฤติปฏิบัติการที่บุญกุศลได้อํานวยความดีมาให้เราในเวลานี้ แต่ก็ยังมีสิ่งที่มันไม่ดีแทรกเข้ามาภายในชีวิตของเรานั้นมันเป็นเครื่องทําให้เราได้พิ่นพี่เรณาได้รู้และได้ทําความเข้าใจหลักของพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปในหลักของการทําความดีว่าการที่เราได้ผลแห่งการทําความดีทางด้านศาสนา ม, มาแต่ปางก่อนและผลแห่งความดีนั้นก็อำนวยผลให้เราได้เป็นมนุษย์ และได้ผ่านชีวิตมาจนถึงเวลานี้ได้หมายถึงว่าชีวิตรอดมาจนถึงวันนี้ได้แน่นอนว่าก็ต้องมาด้วยความดีเพราะบางคนก็ถูกอำนาจแห่งความไม่ดีตัดรอนไม่ไม่สามารถมีชีวิตเจริญเติบโตไปในภายภาคหน้าดได้เพราะฉะนั้นแล้วความดีทั้งหมดที่ปกปักคุ้มครองรักษาเราอยู่ล้วนแล้วแต่เป็นคุณค่าทางศาสนาที่เราได้พุธปฏิบัตินั่นหมายถึงว่าเราจะได้ทาคุณงามควดีทางศาสนานี้ สืบต่อตอนเองไปในภายภาคหน้าแต่เมื่อเราได้ทราบโดยหลักคําสอนอย่างชัดเจนแล้วว่าความเป็นไปในภายภาคหน้าของชีวิตเป็นไปเพื่อความแก่ความเก็บความตายความทุกข์ความยากความลําบากการดินน้นระนการดํารงชีพซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าภายภาคหน้าเราจะได้เจออะไรเพราะภพชาติแห่งการเกิดตกอยู่ภายใต้ความแปรปวนหาความคงที่ไม่ได้เราจึงได้ นำพาตนตัวเราเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะไม่สืบต่อวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าปราถนาความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นภายในจิตของตนการปราธนาความหลุดพ้นให้เกิดขึ้นภายในจิตของตนนั้นนี่เองเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตั้งศรัทธาให้ถูกต้อง พอถ้าเราศรัทธาผิดคือหลักคําสอนที่พงค์ทรงสอนมาเนี่ยถ้าเราตั้งศรัทธาผิดมันจะผิดไปทั้งหมดเส้นทางที่เดินก็ไม่สามารถที่จะเป็นเส้นทางเดินแห่งความถูกต้องเราก็ไม่สามารถออกจากวัตฏะได้เพราะนั้นศรัทธาจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญคือความเชื่อแต่ความเชื่อนั้นจะต้องเป็นความเชื่อที่เกิดจากการพินิจพิจารณาด้วยเหตุและผลเรารับรู้รับทราบรั บ, รบฟังหลักธรรมใดแล้วแล้วนําหลักธรรมเหล่านั้นไป เพ่งพินิจพิจารณาอยู่บ่อยๆอยู่เสมออยู่เรื่อยๆ <_ d ata> การเพ่งพินิจพิจารณาเหล่านั้นแหละมันจะทําให้เราเชื่อขึ้นมาในทุกๆขณะในการพิิพิจารณาเพราะในขณะพิจารณาเราจิตเราจะสัมผัสกับความจริงแล้วเรารู้รับทราบความจริงความเชื่อก็จะเกิดขึ้นรองรับจิตมันจะเป็นความเชื่อที่แตกต่างจากความเชื่อโดยถูกปลูกฝังให้เชื่อการถูกปลูกฝังให้เชื่อเป็นความเชื่อที่เรายังไม่รู้จักการคิดหาเหตุผลในสิ่งที่เราเชื่อ แม้แต่เขาบอกว่านรกมีสวรรค์มีบุญมีบาปมีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น <S 1> <S 1> การที่เราได้ยินอย่างนี้มันจึงมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นความมินเมย์อย่างหนึ่งนะนรกมีสวรรค์มีหากเราเชื่อปั๊บเนี่ยเราจะกลัวนรกและอยากไปสวรรค์นรกมีสวรรค์มีหากเราไม่เชื่อเราก็จะเข้าใจว่านรกกับสวรรค์นี้เป็นเรื่องเล้ยวไหล เห็นไหทั้งเชื่อทั้งไม่เชื่อมันก็จะผิดบทแต่ในความเชื่อในทางพุทธศาสนานั้นนรกมีสวรรค์มีแล้วเราจะเชื่อและโปรงใจได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงการปรงใจเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่จริงเราต้องนํามาขบคิดนรกมีมีด้วยเหตุอะไรสวรรค์มีมีด้วยเหตุอะไรเมื่อพระองค์ทรงตัดบอกว่านรกมีสวรรค์มีหากพระองค์ไม่สอนเหตุ อันนั้นเป็นความงมงายแน่นอนมาเหตุอะไรจึงเป็นไปสู่ความเป็นนรกและเหตุอะไรจึงเป็นไปสู่ความไปสวรรค์ทีนี้พระองค์ทรงตัดบอกเหตุด้วยว่าเหตุแห่งการไปสู่นรกหรือไปสู่สวรรค์นั้นเนื่องมาจากสี่ข่าบวบท5ประการอันบุคคลไม่ตั้งดีแล้วในจิตหรือไม่ประพฤติ ด, ดีแล้วในขณะที่เป็นมนุษย์การที่บุคคลไม่ประพฤติในสี่ข่าบวบท5ประการอย่างดีประพฤติบกคล่อง ปลาพืชไม่แต่มเม็ดเต็ ม, ม, ตมๆๆหน่วยปลาพติลุ่มๆดอนๆอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าย่อมเป็นเหตุให้เขาไปสู่อบายภูมิได้นั่นหมายถึงว่านรกจะมีก็ตามสวรรค์จะมีก็ตามการประพฤติเหตุที่จะเป็นไปสู่นรกหรือเป็นไปสู่สวรรค์ น, นั้นะ <c oughs> เป็นสิ่งที่มีความสําคัญเมื่อเราทราบว่าสีขาวบทห้ประการนั้น เป็นเหตุที่จะเป็นไปสู่นรกหรือสู่สวรรค์เราก็มาพิจารณาในสิข้าบกสิขา บ, บทหประการเนี้ว่าสิข้า บ, บทหประการนี้เป็นไปเพื่อโทษหรือเป็นไปเพื่อประโยชน์เมื่อเราทราบว่าสิข้า บ, บทหประการเป็นไปเพื่อประโยชน์แม้เราได้มาเป็นมนุษย์ในเวลานี้ก็เป็นมาจากการที่เราประพฤติในสิข้า บ, บทหประการทั้งนั้นนั่นคือประโยชน์ที่อาํานวยผลมาให้เราเมื่อสิข้าบทหประการนั้นเป็นประโยชน์ เราก็สามารถรู้ด้วยใจว่าประโยชน์ย่อมนำไปสู่สุขติ ส, สุขสุติหมาคือว่าการไปการไปไม่ใช่ไปสู่โลกหน้านะคือไปที่ไหนก็ตามเราก็จะได้รับความไว้วางใจในทุกทกที่สุขติคือว่าคติแปลว่าการไปไปไปก็ไปดีในที่ต่างๆกำลังอนิสงค์ของบุญกุศลที่เกิดจากการรักษาศีลก็จะปกปักคุ้มครองรักษาชีวิตเราจะไม่ถูกตัดรอนเพราะเรารักษาปานาติบา ทรัพย์เราจะไม่สูญหายไปเพราะอาถินนาทานเราไม่ได้ทําการขโมยครอบครัวเราจะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะเราประพฤติในสิข้าบทข้อที่3าวาจากล่าวที่ไหนก็ได้รับความเคารพนับถือแล้วก็มีคนเชื่อก็เพราะว่าเราเกล่าววาจาจริงความคิดความอ่านใดๆก็ตามที่เป็นความคิดไม่ขาดตกบกพร่องเป็นความคิดที่สมบูรณ์แบบ สามารถคิดแต่ตองพิจารณาเตติดต่อเนื่องกันในเหตุและผลมีปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นเพราะเราไม่ดื่มสุรา ห, หรือว่ารักษาสิขาบทข้อที่5นั้นหมายถึงว่าความเป็นไปของชีวิตของเราย่อมเป็นไปในทางที่ดีแน่นอนและเมื่อชีวิตเราเป็นไปในทางที่ดีนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าสุขติและสวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นสุขติภูมิอันหนึ่งเมื่อชีวิตเรา มีสีขาบทท่าประการเป็นพื้นฐานแห่งการรองรับชีวิตแห่งความเป็นไปในสุขติแล้วแน่นอนว่าภูมิที่เรียกว่าสุขติภูมิย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อละชีวิตไปและหากเราประพฤติในสีขาบทท่าประการผิดอันนี้ต้องดึงหูไม่งั้นก็ไปหาคาเฟอีนมาเมื่อเราทำทำไม่ถูกต้องในสีขาบท่าประการเนี่ยมันก็จะทาให้เราไปสู่ทุคติ พวกคือที่ไม่ดีคือถ้าเราทําปาณาติบาตมากเราก็ถูกตัดรอนในเรื่องของชีวิตเดินทางก็อาจจะเกิอดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อเนืะหรือมีทรัพย์สินสะสมทรัพย์สินเงินทองมาก็ทรัพย์ ส, สินเงินทองก็ชิบหายไปมีครอบครัวก็อยู่ไม่อยู่เย็นเป็นสุขและกล่าววาจาใดก็ไม่ค่อยมีคนเชื่ออาตมานี้ก็คงจะเหมือนกันอย่า ง, างนึงอ่ะคนเชื่อ น, น้อยคือแต่คนมันไม่เชื่อยังไงมันก็ไม่เชื่ออยู่ดีนั่นแหละ แล้วก็การคิดอ่านใดๆก็ตามหากเราไม่ดื่มสุราการคิดอ่านอันนั้นก็เป็นการคิดอ่านที่ที่ดีมีความเฉีเลียวฉลาดคิดได้ติดต่อเนื่องกันอันนี้คือผลแต่ถ้าใครไม่รักษาในศีรษาบท5ประการก็มีทุกข์อะทุกขติก็จะได้รับความทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อได้รับความทุกข์ในปัจจุบันยังสามารถได้รับความทุกข์ได้แน่นอนว่ารอชีวิตไปก็ต้องมีทุกทุกทุกที่เกิดจากการปฏิบัติผิด ในสีขาวบวชห้าปการนี้รอราอยู่นั่นก็เรียกว่านาลกนั่นเองนาลกหรืองกำเนิดเปรีย พ, พิสาตุรกายแม้เราจะไม่เห็นก็ตามแต่เราพี่นี่พี่นาด้วยเหตุและผลอย่างเนี้มันก็เชื่อได้ตามหลักคําสอนแต่ทีนี้หลักปฏิบัติของเรามันถูกปฏิบัติอยู่เพียงแค่รูปแบบทานก็ปฏิบัติไปตามรูปแบบศีลก็รักษากันไปตามรูปแบบสมาธิก็ทำทำตามไปตามรูปแบบแม้แต่การเจริญปัญญาหรือเจริญวิปัสสนาก็ทําไปตามรูปแบบ มีรูปแบบถูกกาหนดทางทางที่ศีลหรือสมาธิปัญญาการให้ทานเกิดขึ้นกับพวกเราได้ทุกๆขณะในชีวิตประจําวันการให้ทานเรามีการแบ่งปันและให้กันเป็นทานเกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วเรางดเว้นในสิ่งที่มันไม่ดีในสี่ข้าบทเราสี่ข่าบทหาเป็นเครื่องวัดภายในจิตและเราสามารถงดเว้นตัวเองได้และควบคุมตัวเองได้ในสี่ข้าวบท5ประการนั้น เราก็จเจริญศีลขึ้นมาได้แล้วจิตเราตั้งมั่นในการที่จะรักษาศีลเราก็เป็นสมาธิแล้วเรามีปัญญารู้เหตุและผลของการรักษาศีลภายในตนเองมันก็เกิดเป็นปัญญาเมื่อเราเกิดเป็นปัญญามีจิตตั้งมั่นอยู่อย่างนี้รอบรู้อยู่ในศีลที่ตัวเองรักษาอยู่ศีล ส, สมาธิเราจะทำํำจิตเราจะมีคุณภาพในการรู้อารมณ์ที่มากระทบจิตแล้วเราไม่ค้อยตามเห็นอารมณ์เป็นเพียงแค่การเกิดแบบเป็นวิปัสนา วิปัสนาเกิดขึ้นมากเข้ามากเข้ามากเข้าเห็นการเกิดการดับในจิตมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันจะเกิดอนุโลมญาณอนุโลมญาณอันนี้จะนำไปสู่การตัดสินเพื่อที่จะทำให้จิตมั่นคงในหลักเหตุผลตัดสินในอะไรตัดสินในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องและสัมผัสอยู่ว่าตัวเราเองก็ตามและสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเราเองก็ตามตกอยู่ภายใต้วงจรของความทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์คือการมีภพชาติเกิดแล้วเกิดอีกการที่ไม่เกิดอีเขาเรียกว่าการดับทุกข์ทำไงถึงจะไม่เกิดชีวิตของเรามันสืบเนื่องไปจากเหตุคือความไม่รู้การที่เราจะไม่เกิดและไม่สามารถสืบชีวิตไปสู่ภพหรือวงจรแห่งการวิวัฒนาการเกิดเราก็ต้องมาสร้างความรู้รู้อะไรรู้ในชีวิตที่เป็นอยู่ในเวลานี้คือทุกข์รู้ว่า ความอยากต่างๆหน้าเป็นเหตุที่ก่อกวนทำให้จิตใจเราดิ้นรนเดือดร้อนรู้ว่าการที่เราไม่ทำตามความอยากนั้นทุกมันก็จะดับได้เมื่อรู้ทุกรู้เหตุแล้วก็รู้ความดับของเหตุได้การรู้อย่างนี้อยู่บ่อยๆเรื่อยามักมักนี้จะเจริญในจิตในใจเราทุกวันหากเราได้ทำอย่างนี้ในชีวิตประจำวันนั่นหมายถึงว่าเราสามารถใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับหลักทำทางศาสนาได้ในชีวิตประจาวันของเรา โดยที่เราไม่ต้องเชื่อใครหมายถึงว่าใครจะมาพูดอย่างไก็กตามนั่นคือการที่มีคนมาพูดว่าปฏิบัติอย่างนั้นดีปฏิบัติอย่างนี้ดีไหว้พระลาวหูถึงจะดีะบวงสวงพญานาคถึงจะดีหรือไหว้อะไรมันมีการไหว้หลายอย่างเราเราไม่ต้องไปเชื่อใครเราเชื่อในสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นั้นอ่ะ เชื่อในหลักธรรมเชื่อในเหตุในผลการเชื่อในเหตุผลที่เราปฏิบัติมันจะเป็นความเชื่อที่ยั่งยืนเพราะเรารู้ภายในตัวเราเองดีเราก็รู้ภายในตัวเราเองไม่ดีเราก็รู้ภายในตัวเราเองแน่นอนชีวิตของเรามันต้องต้องมีทั้งดีและไม่ดีเป็นเรื่องปกติแต่การที่เรารู้ตัวภายในตัวเองนั้นอ่ะมันจะแก้ไขทั้งดีและไม่ดีเพราะเราปฏิบัติทํำเราไม่ได้เอาดีหรือไม่ได้เราเอาไม่ดีเราไม่ได้เอาทั้งสองอย่างเราจะเอาความรู้เพื่อดับความทุกข์ เมื่อสติปัญญาของเราเพา่งพินิจพิจารณารู้เหตุปัจจัยทุกอย่างที่มันเกิดดับและตกอยู่ภายใต้ห่วงแห่งความทุกข์อยู่เราก็ไม่อยากจะยึดถือในอะไรทั้งสิน้นการไม่ยึดถือไม่ใช่ว่าปล่อยปากละเลยหรือไม่สนใจใยดีหรือเฉยเมยต่อสิ่งทั้งปวงไม่ใช่การไม่ยึดถือนั้นหมายถึงว่ารับรู้ทุกเรื่องแต่ไม่ยึดถือสักเรื่องคือไม่ยึดเอามาเป็นอารมณ์ของจิตทําให้จิตตัวเองทุกข์อย่างเงี้ยไปคิดเรื่องนั้นมาทุกข์ในใจไปคิดเรื่องนี้มาทุกข์ในใจ เอาความรู้สึกคนนั้นมาใส่ใจเอาความรู้สึกคนนี้มาใส่ใจทําให้ตัวเองทุกข์แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นเราก็ต้องคือถ้าเรารู้จักตัวเราเราจะรู้จักคนอื่นว่าเป็นยังไงเพราะว่าความทุกข์แต่ละคนมันมีเหมือนกันทุกคนมีความทุกข์เหมือนกันเมื่อเราทราบความทุกข์ในตัวเราว่าเป็นยังไงเราก็ต้องรู้ว่าความทุกข์ในคนอื่นว่าเป็นยังไงเมื่อเรารู้ว่าความทุกข์ในจิตของคนอื่นเป็นยังไงเราก็จะทราบว่าจิตของเขาจะย่อมดิ้นรนเดือดร้อนอย่างไร เมื่อเราทําตัวเองให้พ้นจากทุกได้อย่างไรเราก็สามารถบอกคนอื่นให้พ้นจากความทุกได้อย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยเราคือการรู้เหตุและผลและไม่ต้องเชื่อใครใครจะมาพูดอย่างไรเราก็ไม่ได้มีความเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเราก็แค่รับฟังมาแต่เราจะเชื่อในสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เพราะฉะนั้นเราปฏิบัติในทางพุทธศาสนานั้นที่พระเจ้าให้เชื่อนะั่นแหะศรัทธาคือเชื่อนะ่ยคือเชื่อความจริงที่ประจักษ์ชัดที่เกิดขึ้นกับตนไม่ใช่เชื่อในการกล่าวของคน เขาบอกว่าไหวพลาหูชีวิตจะดีขึ้นเงาหมืดที่ปกคลุมอยู่จะถูกคลายออกอันนั้นคือเชื่อจากการฟังของคําของคนอื่นแล้วคําของคนอื่นนั้นเป็นคําของพระเจ้าไหมคําของก็ขนาดว่าคําของพระเจ้าพระองค์ยังบอกว่าอย่าเชื่อใช่ไหมล่ะ <c oughs> ไม่เชื่อน่ะดีแล้วนะคําของพระเจ้าไม่เชื่อน่ะดีแล้วนี่คําของคนอื่นเราจะไปเชื่อได้ไหมล่ะไม่ได้ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะเชื่อได้คือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดกับกิจเราที่เกิดอยู่และเกี่ยวข้องกับเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนี้แหละไม่ใช่สิ่งลึกลับไม่ใช่สิ่งลี้ลับแต่เราจะเชื่อโดยเพ่งพินิจพิจารณาเหตุผลภายในตนไหมนั้นแหละหากเราเชื่อเพ่งพินิจพิจารณาเหตุผลภายในตนไม่ต้องฟังคาจากใคร ฟังได้ไม่ใช่ว่าไม่รับฟังอะไรสักอย่างนะฟังได้แต่เราไม่ยึดถือมาเป็นความเชื่อนะฟังได้ใครจะพูดอะไรตมาฟังหมดอ่ะรับฟังหมดแต่จะไม่ยึดถือเป็นความเชื่อเพราะเรามีความจริงอยู่ภายในตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นจะให้ตะมาไปยึดถือความเชื่อแบบที่เขาทํากันมาแต่ก่อ น, อ น, นๆนี้ตมายึดถือไม่ได้อีกเพราะมีมความความจริงอยู่ภายในตัวเองอยู่ว่าอะไรคือจริงอะไรคือไม่จริงมันรับทราบอยู่ภายในตนอยู่ จะเป็นประเพณีค่านิยมทางสังคมหรือรูปแบบทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกปูกฝังมาแต่ไหนแต่ไรลแล้วที่เป็นอิทธิพลที่ครอบงาจิตใจของพุทธศาสนิกชนอยู่ในเวลานี้จะให้ย้อนกลับไปประพฤติแบบนั้นอยู่ อ, ยอีกอย่างเงี้ยไปกราบไหว้สการะเส้นสวงบูชาอยู่จะไม่ทำเพราะเรามีความเชื่อเฉพาะตนเองอยู่ว่าสิ่งที่เราเชื่ อ, อนี้เป็นความเชื่อที่เกิดจากการเพ่งพินิจพิจารณามาแล้ว เพราะนั้นเรื่องใดก็ตามที่เราจะสามารถเชื่อได้เรื่องนั้นจะต้องพิจรารณาและไม่ใช่การพี่นาแค่ครั้งเดียวพิี่ณายย้ำแล้วย้ำอีกรู้แล้วรู้อีกพารณากันอยู่เองนั่นแหละจนเกิดความถ่องแท้ในเรื่องราวนั้นๆไม่ต้องรอฟังคําจากใครแม้พระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกความจริงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เราก็เชื่อโดยการฟังคําของพระพุทธองค์การเชื่อโดยการฟังคําของพระุทธองค์ก็เป็นการฟังจากคําพูดของคนอื่น หมายถึงว่าพวกเอาอะไรเรื่องอะไรมาให้รูม้มาเล่าอะไรให้เราฟังก็ไม่รู้เราเชื่อไปตะพืตะพื้อย่างเงี้ย <c oughs> มันหมายถึงว่าการที่เราไปเชื่ออย่างนั้นมันเป็นการเชื่อที่พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเชื่ออย่างนั้นแต่เป็นการเชื่อให้เราได้เข้าใจอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น <c oughs> ความเชื่อกับความเข้าใจต้องมาพวบคู่กันถ้ามัน มันแยกกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็คือความงมงายในความเชื่อนั้นทันทีนี่แหละชีวิตของเราส่วนมากมันจะถูกกระแสของสังคมเนี่ยถูกดึงใจไปให้เชื่อในสิ่งต่างๆนาน า, น า, นาเพราะเราเข้าใจว่าสิ่งนั้นจะอำนวยประโยชน์ให้กับเราสิ่งนี้จะอำนวยประโยชน์ให้กับเราสิ่งโน้นจะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอันนั้นอันนี้จะทาให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันนี้เราดีหรื อ, อยังย้อนกลับมาเรียนรู้ตนเองพิจารณาตนเองในเวลานี้ด้วยเหตุและผลเหตุผลที่จะ เ, เหตุใ้การทำความดีพอหรื อ, อยังและผลที่จะอานวยมาให้เรานั้นมันพอกับเหตุที่เราสร้างหรื อ, อยังเมื่อยังไม่พอเราก็ต้องรู้ในแก่ใจอยู่แล้วว่ามันยังไม่พอที่จะได้ดีในอันที่เราทำดีจะไปรอให้ใครมาบัรดาลชีวิตเราให้ดีทาไม การที่เรารอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบันดาลชีวิตเราให้ดีนั่นก็เท่ากับว่าเราไม่มีชีวิตเป็นของตัวเองเราไม่สามารถสร้างชีวิตให้กับตัวเองได้เราก็ตกอยู่ภายใต้อํานาจการบันดาลจากผู้มีอํานาจลึกลับและเขาจะบันดาลให้เราเป็นอะไรไปกว่านี้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้แต่ผู้ย่อสอนให้เรามีความรู้ภายในตนการที่เรามีความรู้ภายในตนจะทําให้เรารู้จักตนเองและเข้าใจตนเองควบคุมตนเอง เป็นผู้บันดาลชีวิตตนเองได้โดยไม่อยู่ภายใต้การครอบงาของอํานาจศักษษษษดิ์สิทธิ์ใดๆเพราะฉะนั้นทัศนคติในทางพุทธศาสนาในเรื่องความเชื่อนั้นเป็นความสําคัญอย่างยิ่งที่พระองคทรงตัดไว้ในอันดับแรกว่าจงมีศรัทธาและจงปล่อยศรัทธาคือปล่อยศรัทธาคือการพิจารณาด้วยเหตุและผลออกมาเอาคําสอนผู้เจ้าไปพิจารณาด้วยเหตุและผลทานทําไมถึงพระองค์จึงให้ทานถึงสอนให้ทาน ศีลทำไมพู้เจ้าต้องสอนให้รักษาศีลสมาธิทำไมผู้เจ้าต้องสอนให้ทำสมาธิปัญญาทำไมพู้เจ้าสอนให้มีปัญญา เ, เอาไปคบคิดไปพิจรารณาพิจารณาเมตทานอย่างเดียวเนี่ยสามารถถึงนิพพานได้พิจารณาศีลอย่างเดียวหรือศีลแค่ข้อเดียวก็ถึงนิพพานได้หากเราพิจารณาได้ แต่ส่วนมากพิจารณากันไม่ได้ข <c oughs> ี้เกียจพิจารณาหรื อ, อยังไงหรือมันพิจารณาไม่ออกหรือมันไม่มีปัญญาในการพิจารณานหรื อ, อยังไง <c oughs> น่าจะไม่มีปัญญามีอยู่คราวครั้งหนึ่งภรษาที่สองภาษาที่สามอัตมาอยู่ในช่วงของเวลาของการอดอาหารจิต มันยกเรื่องของทานเนี่ยมาพี่เจรณาทานกับศีลว่าคนให้ทานอย่างเดียวแต่มามา่นั่งพี่เจรนาบอกคนให้ทานอย่างเดียวสามารถเข้าถึงนิพพานได้ไหมมันตั้งประเด็นขึ้นมาและนั่งขบคิดได้ถึงนิพพานได้ให้ยังไงทานนี่เรามองแค่วัตถุภายนอกใช่ไหมละ่ะเรามองวัตถุภายนอกคือการสละสิ่งของที่เราได้มาแบ่งปันสิ่งของเรามองวัตถุภายนอกเป็นว่าเป็นทานแต่เราลืมดูว่าทานในภายในยคืออะไร ปัญหาของมนุษย์ก็คือจิตของเราไม่ค่อยมีความสงบเรามีความคิดหลายความคิดมากมายอยู่ภายในจิตในใจเรามิรู้จักสละทานความคิดเหล่านั้นออกเราไม่รู้จักสละมันออกไปนะเรามีแต่ยึดเอามาในความคิดแต่ละความคิดทางทานที่คิดไปก็ทําอะไรกับมันไม่ได้ในเวลานั้นอ่ะมันก็ได้แค่คิดแต่ทํำไมก็ยิ่งคิดอยู่เนี่ยก็คิดอยู่นั่นแหละเรามิรู้จักสละความคิดนี้ออกไป นั่นเป็นทานอย่างหนึ่งเมื่อเราสละความคิดนี้ออกไปสละความวุ่นวายออกไปสละความอยากสละความเห็นแก่ตัวสละความรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเองออกไปคอยคอยคอยอยนั่งพิจารณาล้สละทั้นี้ออกไปทีละนิดทีละนิดสละแม้กระทั่งความรู้สึกว่าเป็นจิตเป็นเราออกไปนั่งคิดพิจารณาสละใครการยึดมั่นถือมั่นทั้งภายในและภายนอกอย่างนี้รูป สละความเป็นลูกออกไปด้วยการพี่นาเป็นธาตุสสละเ ว, เวทนาความเป็นสุขออกไปเพราะถ้าเรายังยึดสุขอยู่นั่นหมายถึงว่าเราก็ยังยึดขันขันก็คือตัวทุกก็คือยึดยึดทุกก็มานั่งสละเ ว, เวทนาคือความสุขความทุกข์หรือความเฉยเฉยนั่งสละสัญญาขันคือความทรงจําที่มันเกิดจดจําในเรื่องบางเรื่องที่ก่อให้เกิดสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างนั่งสละมันออกไป และสละความคิดที่มันคิดไปต่างๆนาน า, นาสละมันออกในความคิดเหล่านั้นสละเป็นไหมสละความคิดเป็นไหมเป็ น, ปนพักๆอย่างน้อยก็ยังเป็นอยู่ใช่ไหมสละมันออกไปสละการรับรู้อยู่ภายในความรู้สึกในตนเองว่าเป็นเราคิดไปคิดมาโว้เหมือนจิตมันจะเป็นพระอรหันต์เลยเวลานั้นนะ<ม>เหมือนกับไม่มีตัวตนอะไรสักอย่าง เล้วทำไมมันว่างไปบททุกอย่างในโลกนี้เนี่ยพอมันสละยออกไปแล้วยังยังไงมันมันไม่มีอะไรสักอย่าง น, นะที่จะเราจะยึดมั่นถือมันได้มันก็มีแต่ความอุเบกขาความวางเฉยแต่รับรู้ทุกเรื่องแต่ไม่ยึดสักเรื่องจนมาพิจารณาถึงศีลไม่ฆ่าสัตว์จากการงดเว้นจากการไม่ฆ่าสัตว์งดจากไม่ฆ่าสัตว์นี่คือเหตุปัจจัยภายนอกเราก็ทราบ เข้ามาในภายในคืออะไรไม่คิดเบียดเบียนใครอะไนั่นคือเหตุปัจจัยในภายในไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดว่าร้ายใครไม่คิดมุ่งร้ายใครไม่คิดกล่าวร้ายใครนีแล้วเหตุปัจจัยที่นําเราไปสู่การฆ่าคืออะไรก็คืออาสวักิเลสอยู่ภายในคือความไม่รู้ความหลงความงมงายกิเลสตัณหาต่างๆนานาที่มันหมักงมอยู่ก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้อยู่ในภายในนั้น แล้วพิจารณางดเว้นที่จะไม่กระทาตาม <c oughs> เพราะการทําตามนักกิเลสย่อมเป็นไปเพื่อการฆ่าย่อมเป็นไปเพื่อค ว, า, วามเบียดเบียนย่อมเป็นไปเพื่อการมุ่งร้ายปัญหาร้ายคิดร้ายต่อคนอื่นนั่นคือเหตุปัจจัยในภายในเข้าไปงดเว้นในอํานาจของกิเลสเหล่านั้น <c oughs> คือไม่ทําตามจ <c oughs> ิตมันก็จะหด ส, สั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนรู้ว่าแม้ตัวจิตนี้แหละ ตัวตัวจิตเนี่ยคือตัวการที่เป็นไปเพื่อการฆ่าเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนเป็นไปเพื่อความมุ่งร้ายป่าธนาร้ายเพราะกิเลสทั้งหลายก็ต้องอาศัยจิตไอตัวจิตนี่แหละเป็นที่ตั้งแห่งการการะทาทั้งปวงอย่างเงี้ยก็งดหมายถึงว่าสละแม้กระทั่งจิตที่มีอยู่ภายในตนไม่ปราธนาความมีจิตก็คือดับปานาติบา ท, ทั้งมวลได้ เรารักษาศีลตามประเพณีเรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้ในเวลานี้เมื่อเราชีวิตไปศีล ส, ส่งผลให้ได้สุขติภูมิอย่างน้อยมาเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาเราก็ยังมีโอกาสในการที่จะฆ่าได้อีกใช่ไหมละ่ะเพราะหากเกิดความขัดแยง้งเกิดความโกรธเกิดการพยาบาทเกิดสิ่งที่ไม่ได้ดังใจเกิดการฆ่าได้อีกเพราะความหลงความไม่รู้การรักษาศีลจึงเป็นเพียงแค่ การงดเว้นเพียงแค่ชั่วคราวแต่การที่จะทำลายตัวทำลายตัวปาณปฏิบาติแท้คือเข้าไปทำลายอาสวกิคิเภายในจิตนั่นคือการงดเว้นปาณปฏิบาตอย่างถาวบอลเป็นศีลอย่างถ้าวบอลศีลโดอริยมรรคอริยผลมันก็เข้าถึงนิพพานได้เป็นอย่างนั้น คำถามกับนมัสการพระอาจารย์คะทำอย่างไรจึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ทั้ง3มลักษณะเห็นแต่ทุกตัวเดียวไปเรื่อยแบบนี้จะได้ไหมคะการจะเห็นไตรลักษณะได้3มลักษณะได้คือเห็นความไม่คงที่ความไม่คงทนท้าวรอนและความแตกสลายลักษณะแห่ง3เราสามารถเห็น3มลักษณะนี้ในวัตถุอันเดียวได้ไหม ในตัวเราได้ไหมตัวเราเปลี่ยนแปลงไหมตัวเราเปลี่ยนแปลงไหมเ ป, เปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนแบบไหนน้องเพลงอั น, นอันไอ้นี้ยังไม่ได้แก่นีนเปลี่ยนไหมโตขึ้นโตโ ต, โตขึ้นก็คือเปลี่ยนลักษณะแห่งความเปลี่ยนนี้คือความไม่คงที่ของมันใช่ไหมลักษณะแห่งความเปลี่ยนคือ อ, อันนี้จัง ลักษณะแห่งความที่มันเปลี่ยน่ะเพราะความไม่คงที่ถ้ามันคงที่มันเปลีป่ยนไหมที่มันเปลี่ยนเพราะมันไม่คงที่ไม่คงที่คือทุกขัง <fas> การที่การที่มันไม่คงที่แล้วมันจะคงตัวข้อมันได้ตลอดไปไห ม, มการที่ไม่คงตัวข้อเองได้ตลอดไปคือมันต้องสลายตัวใช่ไหมคืออนัตตา เราสามารถเห็นลักษณะ3มในตัวเราได้ใช่ไหมนี่คือลักษณะ3แต่การเห็นนี้ยังเป็นการเห็นโดยการตึกนึกอยู่ใช่ไหมอันนี้เขาบอกทําอะไรถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้ทั้งสามลักษณะอันนี้เห็น3ามลักษณะหรือยังเห็นแล้วนะแต่เห็นทางด้านการตึกนึกนะแต่การเห็นในการในธรรมชาติของมันแท้ๆนั่นน่ะมันต้องไปจากการตึกนึกอย่างเงี้บยบ่อยๆให้เรากําหนดหมายในลักษณะ3อย่างที่ว่าเนี่ พอมีการเปลี่ยนแปลงจึงไม่คงที่เพราะมีความไม่คงที่นี่เองจึงไม่มีความคงตัวเห็นได้ใช่ไหมในความคิดใช่ไหมคิดอย่างเงี้ยและเห็นอย่างเงี้ยคิดอย่างงี้และเห็นอย่างงี้คิดคิดแล้วเห็นคิดแล้วเห็นคิดแล้วเห็นคิดแล้วเห็นคิดแล้วเห็นมาเข้ามาเข้ามาเข้าจนตั้งการเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเพื่อที่จะเห็นตั้งความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเพื่อที่จะเห็นเช่น เช่นอะไร <c oughs> ตัวอย่างอะไรดี <c oughs> สมมติว่าหยิกหยิกน้องเพลงเนี่ยเจ็บเจ็บเนาะถามว่าความเจ็บเนี่ย <c oughs> มันเปลี่ยนแปลงไหม <c oughs> มันคงที่ไหม <c oughs> มันคงตัวไหม <c oughs> ทำไมถึงไม่คงคงตัว <c oughs> มันก็คายเราสามารถเห็นลักษณะสามในอาการแห่งความเก็บได้ใช่ไหมใช่แล้วในขณะที่ถูกหยิกเนี่ย<ม>เราเห็นลักษณะสามอย่างเนี้ยจิตเราจะมีความขัดเคืองไห ม, มฮะมีอยู่<ม>และจิตเรามีความไม่ชอบใจไห ม, มแล้วเราสามารถไปเห็นความขัดเคืองเนี่ยเป็นลักษณะสามได้ไห ม, มความขัดเคืองนี้ คงที่หรือไม่คงที่ทแปรปวนหรือไม่แปรปวนแปรปวนคงตัวหรือไม่คงตัวไม่คงตัวเราก็เข้าไปเห็นอีกที่นี่แล้วเราเห็นความไม่พอใจเห็นอะไรต่างๆเราก็ไปเห็นการเห็นเบทาภายนอกจนเห็นอาการในภายในที่แสดงออกมาตอบรับกันอย่างเนี้ยเห็นเห็นทั้งภายในภายนอกอย่างเนี้ยอจัตตัง่าภิทาวาภายในภายนอก ปะจวบกันอย่างนี้มันจะเกิดทัศนะในการเห็นตัวไตลักโดยธรรมชาติคือมันจะกระเทือนไตลักในธรรมชาติไตลักที่เป็นไตลักนะมันจะไปเห็นมันไม่ได้ไปเห็นอาการของเวทนาไม่ได้เห็นอาการของความไม่พอใจไม่เห็นอาการของคันขัดเคืองใจอะไรมันจะไม่เห็นอันนั้นแล้วนะมันจะไม่กําหนดหมายว่าเป็นความเจ็บปวดไม่กําหนดหมายเป็นความขัดเคืองใจไม่ไม่กำหนดหมายว่าเป็นความไม่พอใจ มันจะไม่กำหนดหมายมันจะกำหนดหมายเป็นเพียงแค่อาการอาการหนึ่งที่แสดงตัวเองหมายถึงว่าทุกๆอาการเส้นผมขนเล็บฟั น, นังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในอกระดูกม้ามหัวใจตับทังผื่ไตปอด ส, ส้น อ, อาหารหาอาหารเก่าดีสเลดหนองเลือดมันเงื อ, ม, อมัน้นน้ตาเปียวมันน้าลายน้ำมูกน้าไขข้อน้ำปัสสาวะลมพัดขึ้นบงบนลมพัดลมบงต่าลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจไฟทากายให้อุ่นไฟทากายให้สุดโซ่ไฟทากายให้กระวนกระวายไฟเผาอาหารย่อยเป็นไง <Okay. S 1> ทีนี้เราเห็นพอเนี้ยจนเข้าไปเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นแค่อาการหนึ่งเข้าใจไหมเป็นทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่อาการหนึ่งคือมันหลายๆอาการนั่นแหละแต่มันมันไม่ได้บอกว่าเป็นผมขนเล็เบฟันดังเนื้อเข้าใจไหมเป็นเพียงแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ได้บอกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์มันไม่กําหนดหมายอย่างนั้นแล้วมันผ่านแล้วมันเลยไปแล้วมันเป็นเพียงแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ปรากฏ แปรปวนไม่คงตัวแล้วก็สลายตัวแค่นั้นเองมันจะไปเห็นตัวไตรลักษณ์อย่างเงี้ยทุกทุกขณะแห่งจิตการเห็นได้อย่างนั้นนะ่ะมันถึงจะสามารถประหารอกิเลได้ลึกเข้าไปขนาดนะั้น <c oughs> แต่ไม่ใช่ลึกลับนะเพราะมันยังเปิดเผยต่อจิตที่พิจารณาในได้ในอย่างเงี้ยจิตที่พี่ณาอย่างนี้ได้จะเข้าไปเห็นได้แต่ถ้าพี่พี่นาไม่ได้ก็เข้าไปเห็นไม่ได้ ต้องเพลงถูกแม่ตีต่อไปต้องมาดูว่าความเจ็บนี้ไม่เที่ยงนะความเจ็บนี้ไม่เที่ยงเราไม่ชอบใจความเจ็บก็ดูความไม่ชอบใจมันไม่เที่ยงเหมือนกันเรารู้สึกไม่ดีก็ดูอาการที่รู้สึกที่ไม่ดีว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันดูซิว่าความเจ็บมันจะคงตัวไหมดูไปเรื่อยอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะเห็นว่ามันสลายตัวอ๋อมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปม<ๆ>ันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปอาการไม่พอใจก็เกิดขึ้นตั้งอยู่มันดับไปอาการที่ไม่ชอบใจก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วกระดับไปทุกอย่างเกิดระดับเกิดระดับเออแม่จะตีกี่ครั้งก็ตีเถอะหนูจะเอามาเป็นกรรมฐานอะไย่างนี้นะนะสมมุติอยู่หน้าคอมนานเกินไปแม่ก็คว้าหูได้ดึงปื้ดไปอย่างเงี้ยโอ้ได้ดูกรรมฐานอีกแล้วเว้ยเนี่ยดีใจว่าได้ดูกรรมฐานเลยนะอย่างอแงนักปฏิบัตินักกรรมฐานต้องเป็นอย่างนั้นต้องพลิกจิต ในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนเองให้เป็นวิปัสนาญาณให้ได้แล้วเราจะไม่ต้องไปเชื่อฟังจากใครไม่ต้องไปฟังคาของใครไม่ต้องไปเชื่อคาของใครไม่ต้องไปเชื่อการพูดจากใครเพราะสิ่งนั้นเป็นสิ่งประจักษ์ชัดกับตนนะความเชื่ออย่างนี้เมื่อเป็นองค์ประกอบ ในองค์ของผู้มีความเพียรหประการคือเชื่อในการปัญญาตรัสรู้จริงพระสมณะสมบุริเจ้าแล้วก็มีไฟธาตุร่างกายดีเป็นผู้ไม่โอ้วดเป็นผู้ปารกความเพียรอยู่เสมอและเป็นผู้มีปัญญาเห็นความเกิดความดับอย่างนี้ได้ไม่เกินเจ็ดปีเงี้ยต้องได้รู้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สิ้นอสวรรคเลีเป็นพระอหรหันต์ยอมได้อนาคามีแน่นอน สูงสุดอนาคามีนะสูงสุดเนี่ยไม่ใช่โสดาบันไม่ใช่สกท า, าคามียนอนาคารอ้าวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้นางวิสาขาไม่ได้เชื่อปัญญาตรัสรู้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรอือทำไมนางยังเป็นโสดาบันอยู่ทั้งชาติอย่างเงี้ยตายแล้วก็ยังไปยินดีพบเบื้องบนอยู่อันนั้นเป็นความปรารถนาไม่ใช่ว่านางไม่เชื่อเชื่ออยู่แต่ไม่โน้มใจเพื่อทํา ลายอาสวะให้สิ้นในภพนัน e <l loans> way, ้นท่านางน้มใจทําลายอาสวะให้สิ้นในภพนั้นก็ได้แต่ยังยินดีในวัฏะอยู่ยังพอใจในการเกิดอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเนี่ยการเกิดยังก็เป็นการเกิดที่ดีอยู่ในการเห็นลักษณะ3แล้วเห็นให้ติดต่อเนื่องเห็นได้ไหมให้ติดต่อเนื่องคือเห็นเห็นอย่างที่อาตมาอธิบายเนี่ยให้ให้คงที่ให้ความเห็นอย่างเงี้ยคงที่ไปตลอดให้ติดต่อเนื่องไปตลอด ทำได้ไหมดเดินจงกรมเนี่ยจะดีมากคือสิ่งที่เราพิจารณาแล้วเราต้องพยายามไปจับความจริงที่เกิดอย่างยางยงที่พูดถึงอ่ะคือจับความเจ็บหรือจับยุงกัดและดูความคันอะไรประเภทนี้ว่ามันคงที่ไหมมันแปรปวนไหมความคันมันมันอยู่อยู่ที่ของมันหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรอเปลี่ยนเป็นอะไรหรือมันสลายหรือไม่สลาย การที่เราขบคิดพิจารณาเรื่องของไตลักษณแล้วไปดูความจริงที่เกิดความจริงกับสิ่งที่คิดมันเข้ากันคือมันมันมันประจวบกันหรือมันเขาเรียกว่าอะไรประสานกันมันจะรวมอะความรู้จากการคิดกับความรู้จากการเห็นมันจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันปั๊บมันจะจะกระเทือนถึงไตลักณ์ในทางธรรมชาติมันจะปรากฏธรรมชาติอันนั้นต่อหน้าต่อตาเราเลยทีนี้ไม่ได้คิดแล้วไม่ได้คํานึงแล้วไม่ได้พิจารณาแล้ว มันเลยการคิดเลยการพิจารณาแต่มันจะเห็นไตรลักษณ์ทุกๆขณะแห่งจิตเห็นสภาพทุกอย่างเป็นความไม่เที่ยงเป็นความไม่คงที่และเป็นความไม่คงตัวความคงตัวไม่ได้จะเห็นอย่างนั้นอยู่ภัยตาเรานี่แหละตาธรรมดานี่แหละมองเห็นคนทั่วไปจะเห็นเป็นอย่างนั้นเป็นสภาพหนึ่งเป็นอาการหนึ่งลักษณะหนึ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับ มันไม่ใช่เกิดดับอ่ะมันมันมันไม่ใช่การเกิดการดับอีกเหมือนเดิมนะมันไม่ใช่แบบเดิมแนละ้วมันเป็นแบบยังไงนาะจะที่ใบเนาะมันต้องไปเห็นนะสภาพธําเหล่านี้ต้องเขาไปเห็นเองไปรู้เองลักษณะของไตรักแล้วมันจะรู้ว่านั่นคือไตรักแน่แค่ฟังอย่างนี้และคิดตามอย่างนี้ นี่ก็เกิดบุญกุศลมากมายมหาศาลนะนคือถ้ายังไม่เป็นสู่วิปัสนาญาณก็ได้ชั้นของบุญในชั้นของบุญลองรับจิตไปอินทรีย์อ่อนก็เกาะบุญไปก่อนอินทรีย์แก่ก้ากถึงจากสามารถเข้าไปแทงทะลุปัญญาเราจะสามารถแทงทะลุความหลงผิดที่ยึดถือในตัวตนแล้วมันจะทำลายความหลงผิดและการทำลายความหลงผิดในจิตได้แม้ในชั้นของโซดาบันเนี่ย มันจะมีเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากในการดํเราเนาาิ น, นชีวิตของเราในการทําากรงานของเราในการพัฒนาชีวิตของเราในในโลกนี้จะมีคุณค่ามากสติปัญญาความรู้อะไรมันจะรวมลงสู่จิตเราจิตที่เคยหลงมันจะไม่หลงเป็นไปตามกระแสของโลกเราจะยึดถือสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์เฉพาะสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์เท่านั้นอะไรที่ไม่ใช่สาระไม่ใช่สาระเราจะตัดออกตัดออกตัดออกตัดออกทิ้งออกทิ ruct, ้งออกทิ้งออกชีวิตจะสบายขึ้น มันแตกต่างจากความเป็นบุรุษชนที่คิดแต่เรื่องนั้นมาเป็นสาระเก็บเรื่องนั้นมาเป็นสาระเก็บเรื่องนี้มาเป็นอารมณ์ทางใจเก็บเรื่องโน้นมาเป็นเครื่องขัดข้องทางใจคาดหวังว่าจะได้สิ่งนี้คาดหวังว่าจะสําเร็จสิ่งนั้นคาดหวังว่าอันนั้นอันนี้จะอํานวยผลให้อยู่ในในความคาดหวังอย่างนี้บางทีแม้จะได้จริงๆอยู่แต่จะได้อีก 2- อสเดือนข้างหน้าคิดอยากจะให้ได้เร็วขึ้นมันยังไงมันจะได้2อสเดือนข้างหน้าจะให้เร็วขึ้นได้ยังไงเพราะมันกําหนดอยู่ที่2อเดือนข้างหน้านั่น ก็ยังร้อนใจไปคิดให้มันอย่างนั้นนะใช่ไหมล่ะฝึกภาวนาเก่งๆเด้อน้องเพลงฟ้าสงสัยเรียนเครียดไม่มาวัดเลยเนี่ยสอบแล้วถึงว่า ติดสอบติดจริงจังมากยังไงเพราะว่าถ้ า, ถ, าถ้าผ่านให้3เนี่ยเขาก็ิ่เดินเข้ามาาหาลัยได้โอ้ได้เลยเหรอโอ้ถึงว่าจริงจังว่าเก่งเนาะงไงอีกไม่มีใครถามอะไรอีกแล้วในวงของเราเนี่ย ที่ว่าเดินปกปุหนดไคะไม่ต้องกำหนดเราก็ดูดูดูเนี่ยแหละเราพี่นากายพี่นาจิตของเราไปนี่แหละไม่ต้องกำหนดก็เดินธรรมดาเดินธรรมดาใช่เดินไปธรรมดาปกติพิจารณาอะไรก็พิจารณาอันนั้นเคยพิจารณายกเรื่องใดมาพี่นาก็พี่นาเรื่องนั้นให้ถ่องแท้ให้ชัดเจนไม่ต้องไปกำหนดอะไรทั้งสิ้นเดินก็เดิน ในใจพร่นาอะไรก็พิ่ณาอันนั้นพี่นาท่าซีหรือขันห้าก็ยกขึ้นมาพิจารณาเลยให้ติดต่อเนื่องกันหากยังไม่รู้ไม่เข้าใจแจมแจ้งอย่าหยุดพิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามต้องพี่ณาให้ทาลุให้แจมแจ้งเราต้องทราบเรื่องที่เราพิจารณานั้นจนท้องแท้ภายในจิตของเร า, า, าเราจะได้ไม่เชื่อโดยการฟังจากใคร มันพููความร้อนนะคะในในในกายเราเนี่ยดูตัวนี้หือ่ดูยังไงเวลาเราเดินยูเรากลังเดินอูไม่นาน้มีอาการที่มันร้อนอย่างเงี้ยคะ่ะให้พิจารณา ต, ตัวนี้หรอือเปล่าไม่ต้องพิจารณาในองค์ประกอบของกายที่ประกอบมาจากธาตุอาการพวกเนี้ยเราเราค่อยทำวิปัสนาทีหลังแต่การรู้เรื่องของกายจนจิตยอมรับเนี่ยต้องควรทาให้ได้ก่อนเป็นระดับแรก พอ ก, การฝึกพิจารณากายจนให้จิตเกิดการยอมรับมันจะเป็นการสร้างนิสัยของจิตในเรื่องของการพิจารณาเพื่อความรู้ในสิ่งนั้นอย่างท่องแท้ถ้าเราไม่รู้เรื่องกายอย่างท่องแท้เราจะไปพีนาเวทนาให้รู้อย่างท่องแท้ก็พีนาไม่ได้เพราะเราเราก็จะได้รู้เพียงแค่อ ง, องค์ประกอบจากการเรียนการศึกษามาว่ากายประกอบประกอบมาจากธาตุสีดินน้ำไฟลมอย่างนี้ อย่างนี้ก็ได้แค่ความรู้จากการเรียนมาแต่มันไม่ได้ท่องแท้ภายในจิตท่องแท้หมายถึงว่าจิตนั้นเข้าถึงโดยการเห็นชัดว่าเป็นอย่างนั้นจริงอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองรับรู้รับทราบคือจิตปฏิเสธตนเองก็ไม่ได้ว่ากายเป็นดินน้ำไฟลมจริงไหมปฏิเสธไม่ได้ถ้ามันปฏิเสธก็เท่ากับว่ามันมันปฏิเสธต่อความคิดที่มันคิดพิจารณาอยู่ เพราะความคิดพิจารณานั้นมาจากจิตพิจารณาร่างกายเป็นดินน้ำไฟลมพิจารณาจนจิตได้เห็นการพิจารณานั้นออกจากจิตเมื่อการพิจารณานั้นได้ออกจากจิตแล้วจิตไม่ยอมรับในสิ่งที่มันพิจารณาก็เท่ากับว่ามันปฏิเสธตัวมันเองมันเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจิตพิจารณาสิ่งใดแล้วรู้สิ่งนั้นแล้วจะปฏิเสธในสิ่งที่มันรู้แต่การที่เราไปอ่านมาไปศึกษามาว่ากลายเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเราเข้าใจ แต่จิตมันไม่ได้ยอมเข้าใจเราด้วยมันจึงดื้อแล้วก็ปฏิเสธความจริงเหล่านี้อยู่เสมอขัดแย้งกับความจริงจึงเกิดการยึดถือว่าเป็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องพี่นาให้จิตเป็นจนจนมุมจนมุมคือจนต่อความจริงในสิ่งที่มันคิดมันก็คิดข้องมันอ่ะมันคิดของมันเองอ่ะแต่เราก็ให้มันคิดนั่นแหละหมายถึงว่าเราให้มันคิดคือความคิดก็เกิดจากจิตใช่ไหมล่ะเราเราจะเอาความคิดจากที่อื่นไม่ได้เราต้องเอามาจากจิต การที่จิตมันคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการล่อจิตให้คิดเมื่อเราล่อจิตให้คิดแล้วจิตได้คิดสิ่งนั้นมันคิดอะไรมันก็จะรู้อันนั้นจิตนะเราบอกให้มันคิดท่าสีดินน้ำไฟลมเมื่อมันคิดเรื่องท่าสีดินน้ำไฟลมมันก็จะรู้กลายเป็นท่าสีดินน้ำไฟลมตามความเป็นจริงเมื่อมันรู้มากเข้ามากเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าจนมันยอมรับเพราะมันทราบตามความเป็นจริงในสิ่งที่มันคิดเพราะนั่นคือความคิดของมันพอมันยอมรับปุ๊บ เรามาเรียนรู้ขันที่นี่ขันเราก็มาดูค่าเกิดอาการวูบบ้าขึ้นมาเป็นอะไรขันเป็นเวทนาใช่ไหมละ่ะเวทนาเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไงรเับไปงไงอันนี้ต้องเข้าของเรื่องของวิปัสนาเรื่องดูการเกิดดับเพราะเป็นน้ำมันไม่ใช่รูปรูปเราพี่นาแยกแยะเป็น5่สดินน้าไฟลมได้แต่น้ำเราต้องพิีรณายเห็นการเกิดดับคือเข้าไปเห็นการเกิดอาการวูบบ้าเกิดขึ้นเกิด ข, ขึ้นมาในกายตั้งอยู่ในกายเวลาดับดับไปที่ไหนก็ดับเข้าไปในกาย ใช่ไหมหรือว่าเราจะเกิดเกิดขึ้นที่ไหนก็เกิดขึ้นที่กายตั้งอยู่ในกายดับไปในกายมันแค่นี้อ๋อมันก็เกิดมันก็ดับกลายเป็นธาตุสดินน้ําไฟลมอาการบุบบ่าเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นในดินน้ําไฟลมตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกับดินดินน้ําไฟลมที่อยู่โลกมนุษย์นี้นะก็มีอาการร้อนก็มีใช่ไหมอากาศที่ร้อนก็มีใช่ไหมละ่ะอากาศที่เย็นก็มีก็เหมือนกันอาการเหล่านี้เกิดจากการ ประกอบกันของธาตุเป็นเรื่องของธาตุที่มีอยู่ธาตุจะกําเริบมาในรูปแบบไหนก็กําหนดรู้มันเป็นเรื่องของเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตที่มันกําหนดหมายในอาการเหล่านี้จะต้องทราบชัดเมื่อทราบชัดมากเข้ามากเข้ามากเข้ามันเห็นกายเป็นนินงนับไฟลมมันเห็นอาการเหล่านี้ไปประกอบกับจิตเมื่ออาการเหล่านี้ไปประกอบกับจิตเมื่อไม่เห็นว่าจิต ก็เกิดด the so ับตามอาการนี้เมื่อเวทนาเกิดจิตก็เกิดเวทนาดับจิตก็ดับตัวอะไรเกิดจิตก็เกิดอะไรดับจิตก็ดับอารมณ์ใดปรากฏกับจิตจิตก็เกิดรับรู้อารมณ์อารมณ์ใดดับไปจากจิตจิตก็ดับไปตามอารมณ์อารมณ์ใหม่เกิดขึ้นจิตก็รับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอารมณ์ดับจิตก็ดับไปตามอารมณ์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆอ๋อกายเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมจิตก็เป็นแค่อาการแห่งนามที่เกิดและดับเกิดและดับเมื่อเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นจิตตามความเป็นจริง เรียว่าประสานกันด้วยอานาจของอริยมรรต์เป็นการประสานกันจะเกิดกำลังที่นี่ในการประหารอาสาบกิเลสคือทําลายความไม่รู้นี่คือหลักการเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> สรุปแล้วคือยากใช่ไหม <c oughs> ฟังพอฟังได้แต่พอเอาจริงๆทำไมมันยากเหลือเกิน <c oughs> ยากเลย ยากไหมยยากน้องเพลงยังคิดตามได้เลยยากอายุเท่าไหร่น้องเพลงฮะ <40. S 1> สิบขวบสิบขวบยังคิดตามได้ไม่ยากมาั้งเด็กสิบขวบยังคิดตามได้นี่ไม่น่ายากหน้าตมาว่าแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหม ม, มันอยู่ที่การพิจรารณา มันอยู่ที่การเห็นความจริงมันต้องได้สิแต่ละวันไปขายของนี่นะไปขายกับข้าวขายของปิ้งของอย่างเนี่ยนะได้พิจารณาหรือเปล่านะได้พี่นาะเห็นชีวิตไหมเห็นชีวิตความจริงของตนเองไหมหรือพิจารณาแต่จะเอากาไร วันนี้กำไรกูน้อยเว้ยวันนี้งเียเอ๊ะวันนี้ได้กำไรมากเว้ยอย่างเงี้ยฮะวันนี้ได้น้อยหน่านะ ว, วันนี้ได้น้อยวันนี้ได้มากใช่ไหมนับแต่เงินอยู่นั่นอะพี่นาให้มันได้มากกว่านั้นเงินก็เป็นของภายนอกอันนี้ก็เป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งเราก็ทำไปแต่ใจของเราอย่าไปยึดในสิ่งเหล่านี้มากเกินไปเพราะเงินไม่ใช่ความสุขถ้าเงินเป็นความสุขเวลาได้เงินมาทาไมเราไม่ได้สุขอยู่ตลอดเวลา เราก็ไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างความรู้ความจริงให้เกิดขึ้นในจิตให้ได้นี่คือสาระสําคัญและเราจะไม่ต้องไปได้ยินได้ฟังจากใครจากการเชื่อว่าคนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้การได้ฟังไ ด, ได้เชื่อตามคําได้ยินได้ฟังจากคนนั้นคนนี้นี่มันเป็นไปเพื่อความงมงายแล้วก็ เงนเงีนได้เดี๋ยวก็ว่าทำไมคนนั้นพูดคนนี้ไม่เหมือนกันกับคนนี้คนนี้พูดไม่เหมือนกับคนนั้นกูจะเชื่อใครดีวะน่ะนี่ไม่มีเลยว่าจะเชื่อใครดีหรือเชื่อใครไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีมันชัดเจนอยู่ภายในตัวเองทุกทุกครั้งทุกทุกเวลาทุกทุ ก, ท ก, ท ก, ทกขณะใครจะพูดเรื่องใดมาก็ตามรับรู้รับทราบมาความจริงมันอยู่ที่เราทั้งหมด เราชัดเจนอยู่ในตัวเราไม่ไปลังเลสงสัยว่าใครพูดอันนั้นน่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่ออย่างเงี้ยไม่ไม่มีสงสัยไม่ต้องเชื่อจากคําของใครขนาดพระพุทธเจ้าไปจะมาพูดอยู่ต่อหน้านี่ก็ไม่เชื่อเอาจริงๆนะพูดตามตรงเลย น, นี่ไม่เชื่อ ยอมด้วยสติปัญญาที่พระองค์ทรงตัดไว้อยู่แล้วคือยอมอยู่แล้วในด้วยสติปัญญานี่ยอมว่าพู้เทอเจ้าเนี่สุดยอดที่แท้จริงมันผ่านชั้นของความเชื่อมาจนเข้าถึงชั้นของความจริงแล้วจนยอมรับโดยโดยแท้จริงเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงตัดพูดเนี่ยมันจะมีความแยบคายและแยบยนต์กว่ากว่าคาพูดของคนคนอื่นแยบคายมากๆาก เช่นในข่าวข้างหนึ่งที่อาตามาท้อใจที่จะสอนทำไม่อยากจะสอนปรากฏรับทราบถึงพุทธเนลมิตรหรือว่านิมิตกว็วาได้เครื่องหมายไม่ใช่เรื่องน่าสะใจรรหรอกเป็นเรื่องที่เฉพาะบุคคลที่จะปรากฏขึ้นได้คือรับรู้รับทราบคือเห็นนะเราพูดได้ง่าย<ม>เห็นว่ามีพระเจ้ามาปรากฏตัวต่อหน้าแต่ก็ทราบภายในความคิด หรือภายในจิตนั่นว่านั่นคือพุทธเ น, นลมิตรไม่ใช่ตัวพระองค์เสด็จมาเป็นอำนาจพระราตรที่ฉายภาพขึ้นมาแสดงต่อจิตในด้านสมมุตินี้เท่านั้นพอพระพุทธเจ้าปรากฏตัว ต, ต, ต่อหน้านี่พอปรากฏตัวต่อหน้าปุ๊บก็เอ่ยถามขึ้นมาว่าภิกษุเราขอถามเธอว่าดอกอกินของดอกไม้ที่หอมนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนทั้งหลายหรือไม่ ล้วก็ตอบทันทีว่าเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปพระเจ้าค่ากินของดอกไม้นี้เกิดจากไหนก็ถามเกิดจากรากหรือไม่ใช่พระเจ้าคาเกิดจากลำต้นหรือไม่ใช่พระเจ้าคาเกิดจากใบหรือเราก็ตอบว่าไม่ใช่เกิดจากดอกหรือเราก็บอกไม่ใช่เกิดจากเกสรหรือเราก็บอกไม่ใช่แล้วเกิดจากอะไรเกิดจากทั้งหมดน้รวมกันของต้นไม้นั้นตั้งแต่รากลาต้นใบดอกเกสรรวมกันเลจึงมีกิน ผู้จาก็เลยว่กกินแห่งธรรมก็เป็นที่ชื่นชอบของเหล่าสัตว์ปรุษหาเธอไม่แสดงธรรมกินแห่งธรรมจากขจรกระจายไปถึงเหล่าสัต ร, ร์ระุได้อย่างไรไม่ใช่คาพูดของคนทั่วไปที่จะมาพูดอย่างนี้เราเลยยอมจำนวนไงจำนวนต่อความจริงที่พระองค์ทรงตัดไว้ก็เลยพูดมาพูดมาพูดมาก็เข้าถึงหูสัตว์รลุษอยู่แต่เข้าหูสัตว์ก็เยอะ <cries> <S <S สัตว์คือผ่านหูป้ายคือพูดความจริงพูดความจริงในด้านสัจจะนี <doubled> ่พูดแล้วเอ๊ะทําไมคนมันมันไม่เข้าใจนอกจากจะไม่เข้าใจยังต่อต้านมาเลยท้อไงพอท้อพอปุ๊บพุทธนานยมิตรปรากฏขึ้นมาจึงทําให้เออสอนไปอย่างนี้เลยวะไม่เอาอะไรมากหรอกถ้าใครเป็นสัตว์ปรุกก็จะทราบได้ก็แค่นี้ แ ต, แต่ก่อนสอนเพื่อหวังว่าอยากให้คนรู้จริงๆให้เข้าใจศาสนาจริงๆอ๋อคนจะมาเข้าใจมารู้นี่มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยขณะพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทั้งหมดใช่ไหมหนละัก็ฝึกได้เฉพาะบุคคลผู้คนฝึก่แค่นั้นอนะ่ะก็พี่นาตนเองเป็นสตบูร์ซนะยกยกตัวเองขึ้นนั้น อยากจะไปแบบนั้นละคือมันจะอยากดูการเกิดจากของอมหรือวทนาอะไรก็ได้ได้แต่บางครั้งเราก็จะาดูมันก็แบบอยู่แมันมีเงือนเหมนก่อนแต่ก่อนนี้คือได้ดูอยู่บ่อยๆดูอยู่เรื่อยๆจนจิตไม่สงสัยแล้วในความเป็นไกลหรือยังสงสัยอยู่จิตเราก็รับทราบ อย่างแน่ชัดอย่างแน่ใจอย่างถึงที่สุดของใจแล้วว่าแน่นอนว่าดินน้ําไฟลมแน่นอนอย่างเงี้ยในในกายใช่ไหมอย่างถึงใจแล้วนะถึงใจที่แน่แน่ ใ, น ใ, นใจมันต้องถึงใจไหมเนาะบอกไม่ได้อาจารย์ บ, บอกไม่ได้อีกเฮ้มันต้องบอกได้สิเราก็รู้อยู่อยู่อยู่เนืองเนืองโดยความเป็นธาตุมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมกี่ปี ที่ได้รู้ความเป็นกายในดินน้ําไฟลมเนืองๆมาเนี่ยกี่ปีหลายปียปโออันนั้นก็พอแล้วนั่นถ้าหลายปีจากนั้นมาดูการเกิดดับใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าจิตมันรู้ความเพียงพอในการรู้ของมันมันจึงก้าวเข้ามาดูการเกิดดับและมันจิตก็จะสนใจอยู่กับการดูการเกิดดับอยู่ในเวลานี้แต่จําไว้ว่าแม้มันจะมาดูการเกิดดับอยู่ก็จริงมันไม่ได้กลับไปพิจารณาอย่างเดิมมากเหมือนกับแต่ก่อน คือไม่ได้ทํานึงเดืองแบบต่อก่อนแต่มันก็ยังจะยกขึ้นมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาที่จะดูการเกิดดับอยู่ด้วยมันนี้ยนี่คือความจริงไงเป็นอย่างนั้นมันมันจะไม่ทิ้งแสีทีเดียวมันจะยังจะยลกมานี่เราคือเรียกว่าฐานรองรับแล้วามีกรรมธรรมกรรมฐานในจิตจะเป็นอย่างที่ว่าเนี่ถูกต้องถ้าเป็นอย่างเงี้ยดูการเกิดดับต่อไปจนกว่าจะเกิดการทําลายกันขึ้น มันจะทำลายอยู่ภายในอยู่เจ็ดปีกี่ปีเริ่มเริ่มดูการเกิดดับมื่กี่ปีดดใชกดด่การเกิดดับนี่ก็ดูประมาณนี้กี่ปีแล้วเริ่มแต่ว่ายัางไม่ไม่ถีน่าครัอืม<ๆ>ก็ยังไม่ถีนั่นแหละเริ่มมากี่ปี3ปี ส, ปสี่ห้า อีกสี่อีกสีปีเอาเริ่มใหม่ไม่ไม่ไม่เริ่มไหม่อ่ะพรานีนด่ดอได้แล้วนี่ไงมาถึงนี่แล้วพยากรได้เลยไม่เกินอีกสีป่ปีจริงๆสี่ปีไม่นานเนี่ยนอนหรืออาจจะได้ก่อนสี่ปีก็ได้ซ้ำนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนี่จริงๆนันนี่แต่คนที่ ยังไม่สามารถเข้ามาถึงระดับนี้ได้ก็ต้องเข้าใจว่าเรายังไม่ได้นะเข้าใจไหมเออเรายังไม่ได้แล้วก็อาศัยเกาะบุญกุศลไปไปเรื่อยๆบุญกุศลก็ไม่ได้ทิ้งพระ อ, อริยเจ้าท่านก็ไม่ได้ทิ้งบุญกุศลพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ทิ้งบุญกุศลพวงเปรียบเทียบว่าบุญกุศลมันเหมือนกับน้ําจิตเหมือนกับบัวดอกบัว ดอกบัวที่พ้นน้ําแต่คําว่าพ้นน้ําไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันมันพ้นโดยการออกจากสระน้ํานั้นไปอยู่บนบกอย่างเงี้ยถ้าออกจากสระน้านั้นไปอยู่บนบกเป็นยังไงตายเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านก็ไปดิทิ้งบุญกุศลคือยังอยู่ในน้ําอยู่บัวพ้นน้ําก็จริงแต่ก็ยังอยู่ในน้ําอยู่หมายถึงบุญกุศลก็ยังต้องการอยู่หรือน้ําเหือดแห้งลงไปหรือดูแล้งน้ําเหือดแห้งน้ําไม่มี ดอกบัวก็เหี่ยวตายใช่ไหมต้องรอฝนเหมือนกันเพราะนั้นการทําบุญกุศลก็ไม่ได้หยุดไม่หย่อนนะพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านก็ยังปาล บ, บุญกุศลอยู่เสมออย่างเงี้ยแต่ไม่มียึดเท่านั้นเองคือพ้นแล้วนะไม่มีการยึดถือเมื่อบุญกุศลยังเป็นสิ่งที่ต้องการสําหรับพระอริยเจ้าอยู่บุรุชนไม่ต้องพูดถึงว่าต้องการมากเท่าไหร่นะอย่าปล่อยให้น้ํามันเหือดแห้งไปเดี๋ยวก็ เหวี่ยงเฉาตายกันทุกกันมากเติมบุญกุศลเติมน้ําลงไปในสระบัวในดวงจิตดวงใจนี้ให้มากจิตจะได้เบิกบานชื่นบานรอวันรับแสงอาทิตย์แสงธรรมนี่แหละฟังฟังกันอยู่เนี่ยจะบานตอนไหนก็แล้วแต่ของใครของมันนะบัวดวงจิตดวงใจนะพูดถึงดอกบัวในจิตในใจเรานะมันจะบานเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละถ้ามันพ้นน้ํามันก็จะบานคือพ้นน้ําหมายถึงว่า ตอนแรกก็อาศัยน้ำมาเรื่อยๆพอพ้นปั๊บก็อยู่เหนือน้ําพออยู่เหนือน้ําน้ําก็กลายคือบุญจะเปลี่ยนเป็นแค่ยังไงแค่เหตุปัจจัยที่อุ้มชูกันอยู่พยุงกันอยู่แต่ตอนที่ยังไม่พ้นนั้นน้ํายังเป็นตัวหล่อเลี้ยงใช่ ไ, ไหมล่ะบัวให้เจริญเติบโตไปถึงแสงแดด เมื่อพ้นแล้วก็น้าก็แค่เป็นตัวพยุงให้เป็นไปแต่น้ำใจแห้งไปพระพุทธเจ้าพระพาิยเจ้าท่านก็ไม่ได้ิตะคือไม่มีบุญท่านก็ไม่ได้ิตกอะไรนะแต่การที่ท่านยังดำรงอยู่ก็ยังจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมหาชนในความเป็นหมายถึงว่าดอกบัวบานเนี่ยมแมลงผู้มแมลงผึ่งมแมลงตอมแมลงอะไรที่ต้องการอะไรในดอกบัวก็ยังมาตอมอยู่อย่างเงี้ย มีอะไรจะถามใครไปดีได้ฟังอะไรจากใครคนอื่นมาที่เป็นความสงสัยที่จะถามมีไหมที่คิดว่าจะเชื่อคนนั้นดีไหมจะเชื่อเขาว่าอย่างนั้นดีไหมยอย่างเงี้ยองไม่มีแล้วมั้งในกลุ่มของเราในไ ม, ม่มีแล้วนะไม่ป ไ, ไมปแ ก, แก้เคล็ดแล้วนะปีชงทําไงปีชงก็ยอมชงใช่ไหม <laughs> ก็ชงไปจะชงอะไรก็ชงไปสิ <laughs> ใช่ไหล่ะ ปัดทีชงในไงอีกทีนี้หมดใช่ไหมหมดแล้วก็ใช้เวลาในการอธิบายธรรมะในเชาน้านี้แต่เพียงเท่านี้เอวังวววววขอให้มีความสุขความจเจริญทุกคนทุกคน ทั้งผู้ที่รับชมแล้วก็ผู้ที่นั่งฟังอยู่ที่นี่จงเข้าถึงความสุขความเจริญจเจริญด้ดยอายุมีอายุยืนนานจเจริญด้วยวันน่มีผิวพรรณผ่องใสจเจริญด้ดยสุขามีความสุขกายสบายใ จ, จเจริญด้ดยพละมีกำลังวังชาสมบูรณ์แข็งแรงทุกทุกคนเทิด